สิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมควรจะรู้ควรจะศึกษาก็มีอยู่สองส่วนด้วยกันคือส่วนที่หนึ่งคือธรรมที่เป็นปัจจัยต้านการปฏิบัติสองธรรมที่เป็นปัจจัยเสริมการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรรู้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 ในพระพุทธสเจ้าก็ดีในพระธรรมคำสอนก็ดีในพระอริยสงสาวกก็ดีข้อที่สองคือกามฉันทะความยินดีในกามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะสาม ความฟุ้งซ่านสี่ความง่วงเหงาหาวนอนเกลียดพานและห้าความโรกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทถ้ามีธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาในใจจะทำให้การปฏิบัตินี้เป็นไปได้ยาก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 หลุดพ้นจากวัตฏะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายก็ทรงเห็นว่าการเป็นนักบวชนี่เป็นทางเดียวที่จะสามารถพาให้พระองค์ได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้เอพระองค์เลยตัดสินพระทัยเสด็จออกจากพระราชวังในคืนที่ได้ทราบข่าวว่าพระหมหายศีได้ทรงคลอด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 ก็สามารถบรรลุผลได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบรรลุได้มาเป็นพระอาหารหันตสาวกมารับใช้พระพุทธเจ้าในการถผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กว้างใหญ่ไพศาลออกไปเพื่อที่จะสงฆ์ผู้ที่ยังไม่รู้ผู้ที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้รู้ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติ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 อันนี้มันก็ขาดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วที่สรงสอนให้มีสัมมาสมาธิสรงสอนให้มีศีลสมาธิปัญญาหรือสรงสอนให้ทานศีลภาวนาถึงนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าในในรูปแบบต่างๆแต่เนื้อหาสาระเมื่อเรามาวิเคราะห์ดูแล้วก็เป็นมรรคแปดเหมือนกัน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 เช่นสอนพระภิกษุก็สอนมากแบบหรือสอนศีลสมาธิปัญญาสอนคาววาญาติโยมผู้ครองเรือนผู้ที่ยังมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก็ส่งสอนทานศีลภาวนานี่คือเรื่องของการศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้กําจัดความลังเลสงสัยว่าการปฏิบัติอย่างไร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 ก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิพอออกจากสมาธิมาแล้วพอจิตเริ่มมีการคิดปรุงแต่งก็ให้ดึงเอาความคิดปรุงแต่งนี้มาคิดในทางธรรมให้มาคิดในทางายรัก ท, ทันทีอย่าปล่อยให้คิดไปในทางตรงกันข้ามกับายรักเห็นอะไรต้องพิจารณาว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตต า, ท, าทันทีถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้ว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 ไม่ให้ออกไปฉันนอกวัดถึงแม้ ว, ว่าจะเป็นพันธภรกิจที่ไปโปรดญาติโยมให้ญาติโยมได้ทําบุญทําทานกันแต่มันเป็นการทําลายการภาวนาของพระเวลาพระออกไปนอกวัดนีพระจะต้องไปสัมผัสรับรูก้กับรูปเสียงกลิ่นรสผลพธะต่างๆแล้วก็จะทําให้เกิดกามฉันทะขึ้นมาเกิดนิวรณ์ทให้จิตใจมีความอยาก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 เช่นไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาอยู่ตามที่ไม่มีแสงสีเสียงไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผดทปพระที่จะทำให้เกิดกามฉันทะขึ้นมานั่นเองถ้าอยู่ในวัดถ้าอยู่วัดในบ้านในเมืองเนีจะมันจะอยู่ใกล้กับรูปเสียงกลิ่นรสผดทธพระเพราะอยู่ใกล้าชาวบ้านชาวเมืองที่เขาเสดกามคุณทั้งห้านี้เป็นปกติ แต่ถ้าไปอยู่ในป่าในเขาเนี่จะไม่มีกรรมคุณทั้งห้าที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาเส่กันก็จะไม่มีอะไรมารบกวนใจของผู้ปฏิบัติเพรนั้นผู้ที่ปฏิบัตินี่จําเป็นที่จะต้องอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลินพภภพ่นรสผลธรรมชแล้วจําเป็นที่จะต้องบําเพ็ญศีลในขมมะ ก็คือสีแปดสีแปดก็คือสีห้าบวกบวกขึ้นอีกสามข้อแล้วก็ข้อที่สามก็เปลี่ยนจากกามเมมาเป็นอพปปรมัจจลิยาถ้าถือสีห้านี่ยังสามารถที่จะหาความสุขจากการร่วมดับนอนกับคู่ครองของตนได้แต่ถ้าถือสีแปด น, นี่ก็จะต้องกําจัดกามฉันทะก็จําเป็นจะต้อง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 การบริกรรมพุโทโธนี้จะเป็นกรรมฐานที่เหมาะเพราะเป็นกรรมฐานที่เป็นกลางไม่ได้ทําให้ผู้หนึ่งผู้ใดเกิดความอ า, อ, า อ, าอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาถ้าถ้ า, ถาพิจารณาความตายพิจารณาความเสื่อมของสิ่งต่างๆไม่ได้พิจารณาอสุภะความไม่สวยงามของร่างกายไม่ได้ก็ลองใช้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 แต่ถ้าอยู่กับผู้คิดแล้วจิตจะมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความฟุ้งซ่านนี่คือวิธีการป้องกันความฟุ้งซ่านหรือแก้ความฟุ้งซ่านเวลาที่เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาให้เราบริกรรมพุโทโธไปให้ถี่เลยอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เราฟุ้งซ่านหรือให้สวดอิติปิโสไปตามอายุของเราไป อายุสี่สิบก็สวนมันสี่สิบรอบออติปิโสอารหังสัมมาวิชาจราณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโรปุลิสสะดมมาซาทิสัตธาเดวะมนุษานางบุตโธภะกวาติสวนมันไปถ้าสวนนี้ไปรับรองได้ความฟุ้งซ่านนี้มันต้องดับอย่างแน่นอนหรือว่าถ้าเราใช้ปัญญาเป็นกา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 มันก็ไม่อยู่ตลอดไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งมันก็ต้องดับไปถ้าคิดอย่างนี้แนละ้วมันก็โป่งได้วางได้จิตก็กลับเข้ามาสู่ความสงบความเป็นปกติได้กลับมาดูลมหายใจเข้าออกได้มาดูการเคลื่อนไหวของร่างกายได้มาบริกรรมพุทโธได้นี่คือวิธีแก่นิวรณ์คือความฟุง้งซ่านส่วนนิวรณ์ก็สุดท้ายก็คือ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 ในการพัฒนาจิตใจให้สงบแล้วให้เกิดปัญญาตามลําดับอเราจึงต้องพยายามเจริญอธรรมะต่างๆเหล่านี้อยู่เรื่อยๆเจริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณศึกษาพระพุทธประวัติศึกษารประวัติของพระอริยสงสาวกศึกษาพระธรรมคําสอนทบทวนอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ดื้อ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 เหมือนกับเตล น, น้ามันรถสมัยนี้เขามีน้ามันหลายเกรดด้วยกัน91ก็มี95ก็มีถ้าต้องการให้รถนี้มีกำลังมาก <c oughs> ก็ใช้น้ามันที่เกรดสูง <c oughs> คือ95แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากหน่อยเพราะราคามันสูงกว่าราคาน้ามันที่ต่ำกว่าฉนันใดตู้ดองวะานี่ก็เป็นเหมือนน้ำมันพิเศษของการบำเพ็ญจิตภาวนา ก็จะต้องทุกมากขึ้นมาหน่อยเป็นวาระที่เราจะต้องจ่ายถ้าเราต้องการให้การภาวนาของเหล่านี้จเจรเดินก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายตัวดวงวัด13ข้อนี้ก็มีแบ่งเป็น 3-4 ส่วนด้วยการส่วนมากก็เกี่ยวกับการขบฉันกับการรับประทานอาหารของพระภิกษุถ้าเป็นพระภิกษุท่านก็บอกว่าให้บิณฑบาตเป็นวันคือ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 ถ้าอย่างนั้นมันก็กินเพื่อการมัชชน์ทะกินเพื่อเสริมนิวร์ไม่ได้กินเพื่อกําจัดนิวระการบินธบานนี้ก็เพื่อเป็นการบริโภคอาหารเพื่อกําจัดนิวรแล้วก็กาจัดความเกลียดค้านด้วยเพราะการบินทบาทจะต้องเดินปกติถ้าเป็นภ้า ป, ป่านี่จะอยู่ห่างจากหมู่บ้านอย่างน้อยก็ประมาณสองกิโลเมตรเพราะอยู่ใกล้ไปเสียงมันก็จะดังมันก็จะมารบกวนการภาวนา ก็ต้องอยู่ระยะพอสมควรคือปกติท่านจะให้อยู่ประมาณสองกิโลคือให้เดินไปกับการบินธบานนี้อยู่ในประมาณหนึ่งชั่วโมงเดินไปสองชั่วโมงเดินก็ไปในละวาดบ้านอีกพักหนึ่งสองกิโลแล้วก็เดินในละวกบ้านอีกครึ่งกิโลแล้วกิโลหนึ่งสุดแท้แต่ความยาวหรือสั้นของสายบินธบานเสร็จ แ, แล้วก็เดินกลับวัดกัน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 แล้วก็ให้ฉันในบาทนฉันในบาทก็คือจะได้ไม่ยุ่งยากกับเรื่องการล้างถ้วยล้างชามต้องหาภาชนะต่างๆมาแยกอาหารชนิดนั้นใส่จานนี้ชนิดนั้นใ ส, ใส่ใส่ชามนั้นของหวานใส่แก้วใส่ถ้วยอะไรวุ่นไปหมดนกว่าจะฉันเสร็จกว่าจะมารางช่วยล้างชามเสร็จก็หมดไปหมดเวลาไปกับเสียเวลาของการภาวนาไปท่านก็เลยให้ฉันภาชนะเดียวฉันในบาท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 ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นนิวรน์เราก็จะรับประทานไม่มากไม่ถึงกับอิ่มรับประทานพอให้มันหายหิวก็พอนี่เรียกว่าการฉันในภาชนะเดียวฉันแล้วก็ให้ฉันมือเดียวทุดงควัตครควนี้ก็บอกไม่ให้กินมากกินมากแล้วง่วงนอนเกียดข้านก็ให้ฉันมือเดียวแล้วบางแห่งทาง่านใกล้แท้ถือการไม่รับอาหารหลังจากกลับมาจากบินธบาตแล้ว คือให้มีความมากน้อยสันโดษให้ยินดีกับอาหารที่ได้จากบินตาบาทก็พอใครจะตามมาทีหลังมาถวายที่สาราในวัดนี้จะไม่รับแล้วเพราะมากเกินไปถ้าอยากจะใส่บาตรก็ต้องรอใส่ตอนที่บินตาบาททนั้นถ้าหลังจากนั้นแล้วก็จะไม่รับอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่วัดป่าบ้านตาดก็จะถือข้อนี้ในช่วงเข้าพรรษาในช่วงเข้าพรรษาญาติโยมที่มาไม่ทันบินฑบา ก็ต้องมาดักที่หน้าประตูวัดสร้งแถวกันยาวเหยียดแทนที่อยากจะได้อาหารน้อยๆมันก็เลยกลับกลายเปนะ็นอาหารมากจงนะจนต้องมีคนมาคอยถ่ายบาทเอาชามากระมังมาคอยถ่ายบาทให้แต่อันนี้มันก็เป็นเรื่องของศรัทธาของคนที่อยากจะทำบุญกับภาพที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระที่ถือทุโดงขวัตกัน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 แต่อย่างน้อยท่านก็มีทุตดงควัตคอยคอยคอยยับยั้งว่าท่านบัณฑบวชนี้ถ้าไม่ได้บวชเพื่อสักลาสการะเพื่อปัจใจสี่เพื่ออาหารบิณฑบาตเพื่อจีวรเพื่ออะไรต่างๆท่านมาบวชเพื่อทํากันดังนั้นอราสการะเหล่านี้จะไม่มีความหมายสําหรับพระปฏิบัติกันนี่ก็คือทุตดงควัตที่เกี่ยวกับการอ่า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 ก็ต้องเอามาปรับกันใช้ได้เป็นญาติโยมก็ใช้ได้กินมื้อเดียวก็กินก็ได้กินตามมีตามเกิดก็ได้ถ้าใครถ้ามีภรรยาทำอาหารง่้ก็ไม่ต้องไปบอกเขาให้ทำให้นู่นนี่ให้กินเราอยากจะทำอะไรให้เรากินก็ปล่อยให้เขาทำไปหรือไปร้านอาหารก็ไปบอกเด็กว่าเอาอะไรมาก็ได้ขอให้กินได้กินแล้วไม่ท้องไม่เสียก็แล้วกัน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 ให้ไปอยู่ตามป่าให้อยู่ในวัดป่าวัดที่มีต้นไม้เยอะๆเพราะที่มีต้นไม้เยอะนี่เป็นวัดที่ร่มเย็นสงบไม่วุ่นวายเด้๋ยให้อยู่ตามเรือนร้างถ้าไปทุดดง่งน o n ถ้าออกจากวัดไปก็อยู่ตามเรือนร้างอยู่ตามตามเงื้อผาอยู่ตามถ้ำอยู่ตามที่สงบสงบัดวิเวกห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐะ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 เครื่องนุ่งห่มคือจีวรฮะจีวรท่านก็ให้ถือผ้าบางสกุลคำว่าผ้าบางสกุลก็คือให้หาผ้าที่เขาทิ้งตามป่าชา้าหรือทิ้งตามกองขยะเอามาเก็บเล็กผสมน้อยพอได้จํานวนที่จะมาตัดเย็บจีวรได้ก็เอามาตัดเย็บจีวรแล้วก็เอามาซักย้อมด้วยน้ําฝาดคือเอาไม้แก่นขนุนนี่มาต้มแล้วก็เอามาซัก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 ไม่ต้องมีมากมีเท่าที่จำเป็นสำหรับพระนี่มีสามผืนก็พอผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าหม่มหนึ่งผืนแล้วผ้าผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนเรียกว่าผ้าไตจีวอนให้ถือไตจีวอนเป็นวัดเนี่ยนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องที่เครื่องนุ่งห่มของพระแล้วมีข้อหนึ่งก็คือการบาเพ็ญเพีย ง, ยงก็ให้ถือในสัตชิกคือให้ถือสามิริยาบท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 ถ้าหลับในท่านั่งเดี๋ยวมันก็ชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็เติ่งขึ้นมาละคอพับเดี๋ยวมันเมื่อยคอมันก็ต้องเติ่ง ข, ขึ้นมาพอเติ่ง ข, ขึ้นมาก็นั่งสมาธิต่อไปหรือลุกขึ้นมาเดินจงกรมได้เลยการบําเพ็ญภาวนาก็าจะไม่เสียเวลามากไปกับการหลับนอนเมื่อมีการภาวนามีการปฏิบัติที่เป็นเหตุของมรรคผลผนิพพานเมื่อมีเหตุผลมันก็ต้องตามมาอย่างแน่นอน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 ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในมรรคผลนิพพานที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไห้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยยาถาวาเรวาหาปุราปารุปเรนติสกากรัง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 มาเตผวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะพิวะธนสีริสานิจังวุธาประจายโนจตาโรธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรม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 ถ้าเป็นเพียงความคิดไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าจะไปพูดต่อหน้าเขาเลยบอกว่าผมคิดว่าท่านอาจจะตายพรุ่งนี้มันก็อาจจะเป็นปัญหาได้ถ้าไ ม, ม่ถ้าคนฟังเขาไม่มีธรรมเขาก็อาจจะคิดว่ามึงมาสาบมาแช่งกูหว่อแต่ถ้าคนมีธรรมเขาก็ไม่ไม่ไม่ได้สนใจกับคําพูดของใครเพราะเขาดูความจริงเป็นหลักถ้าความพูดของคนเป็นความจริงแบบนี้ก็เป็นม้าเสตีกันไปหมดแล้ว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 แต่ถ้าให้ดูหนังฟังเพลงนี่ดูได้เป็นชั่วโมงฟังเป็นชั่วโมงไม่รู้สึกร้อนเลยครับออนิวรณข้อหนึ่งที่ท่านพระอาจารย์เทศวันนี้ก็คือง่วงหนาวหอนอนนะครับคือสังเกตไม่สังเกตทุกครั้งเลยก็คือว่าแม้จะนอนมาเยอะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับพอจะสวดมนต์เนี่ยนะครับ หาอย่างเงี้ยอาจารย์น้ำหูน้ำตาไหลอ่ะผมไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่าทําไมมันมาได้ยังไงมันจะมียาอะไรไม่ได้กินแล้วไม่หาวแบบนี้เน่ะผมไม่อย่างนี้ครับ ก, กินข้าวเง้ยอย่าไปกินข้าวยังไม่กินข้าวท่านอาจารย์ตื่นนอนมาเลยครับตอนเช้าเช้าเนี่ยนอน ต, อ ต, อ ต, อต้องไม่กินตั้งแต่เมื่อวานนี้ผมผมก็อดนะอย่างที่อาจารย์พูดนะครับ หลับนี่ครัฝันไม่ได้กินข้าวทั้งคืนเลยอาจารย์อดทำไมผุงป่องเนี่ยอดอะไรนะคืออดเป็นทั้งวันนะอาจารย์มันกลับมาในที่ที่ที่ฝันนะครับอาจารย์ได้ว่าไปกินโน่นได้ไปนี่อะไรเงี้ยบอกอ้าวโอ้โหมันขนาดนั้นเลยไอความหิวเนี่ยนะหมดแล้ยง<า>ังครับต้องให้คนอื่นคนอื่นกับคนหนักหนักๆนะ พูดใกล้ๆหน่อยจะง่าง้นะแล้วมาตรการสงฆ์นี่เจ้าคุณเจ้าค่ะเราอยากถามทางโลกเจ้าค่ะว่าผัวปล่อย เ, อเปิดบ่อนไก่ชน่ะลูกเมีย จ, จะจะมีวิบากกรรมด้วยไหมเจ้าคะก็มันเป็นการส่งเสริมให้คนเสพใบาอย่างมพวะมันก็อาจจะมีผลกระทบกลับมาโจรผู้ล้ายจะมากขึ้นเพราะคนเวลาเงินหมดมันก็จะไปลักขมโมยไปอะไรกันมันก็อาจจะมาลักเงินของเราไปก็ได้ ใ้่ค่ะเพราะว่าน้องเคยมาบุญด้วยกันตอนนี้ผัวเปิดบ่นไก่ชนเขาก็ไม่มาชวนมาก็ไม่มาเออรู้อยากบากเมันจะบาปด้วยไหมเนี่ยว่ะก็มันอยู่ประตูบาปไงอบายมุกก็แปลว่าทวารของของอบายอบายก็คือที่ไปของคนที่ทําบาปพอไปเกี่ยวข้องกับอบายเดี๋ยวมันก็ต้องไปทําบาปไม่ฆ่าสัตว์ก็ต้องรักทรัไม่ลักทรัพก็ต้องประพฤติผิดประเวณีเครื่องโกหกหลอกลวงค่ะ แล้วทีนี้อีกมีข้อนึ่งน้องปฏิบัติทำรรด้วยกันดีๆแล้วอยากให้หลวงพ่อบอกว่าเขาติดกรรมอะไรมาแต่ชาติปังก่อนกินของสงฆ์ไหมเขาอยู่ดีๆไส้เขาเน่าขึ้นมาแต่เขาไม่เก็บไม่ปวดพอดีก็เป็นเนื้องอกนี่เป็นลูกอะเป็นตัดไปเจอเน่าตั้งนานแล้วอะอ๋อมันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดมาก็ต้องแก่เจ็บตายไปเป็นธรรมดาจส่วนวิบากมันก็อาจจะมีส่วนเพราะเราในแต่ละภพแต่ละชาติเราก็ทําบุญทำบาป ก, กันมาไม่ไม่เหมือนกัน แต่ถ้าถ้าเป็นโครคภัยแค่เจ็บตายเร็วท่านก็มากว่ามันเป็นวิบากของบาปที่เราทำมายังถ้าอายุ ย, ยืนยาวนาะนสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงก็เป็นวิบเป็นผลของบุญที่เราได้ทำมาใช่ค่ะแล้วเมื่อวานนุไปดูเขานะนุก็บอกว่าถามเขาก็เก็บไหมบอกไม่เก็บเขาก็เคยมาหาหลวงพอ่อก็บอกพี่นูอยากไปหาหลวงพอ่อไม่เป็นไรพี่มีทาหลวงพ่อมาบอกทำคํานึง ให้หนูทํานะปฏิบัติเข้าห้องปัสาเขาก็โทรมาหาหนูให้หนูว่าหลวงพ่อบอกว่าถ้าใจเราไม่ทุกข์เราไม่ลงนรกนูก็บอกเขาอย่างนั้นให้หนูอย่านอนอยู่บนเตียงนอนอยู่ห้อง ICU ไอซีันก็ดูเขาอะหนูอย่าอยานอนบ้างเปล่าให้เอาพูดโทรมาอบอกว่าใจคุไม่ทุกข์คุไม่ลงนรกหนูก็ทําเขาก็พยักหน้าถูกต้องแล้วแหละต้นหนูจะบาปไหมหนววคําพูดหลวงพ่อไปบอกเขาหนูบอกคนเลยเป็นบุญเป็นกุศลนะใช่ไหมคะเป็นบุญเป็นกุศลเจ้าค่ะ ช่วยให้คนทนจากกระบายเจ้าค่ะเขาบอกเขาไม่เก็บเขาไม่ปวดเ้านอนอยู่อย่างเงี้ยดีแล้วเจ้าค่ะสาธุสาธุจาค่ขนมาว<า>ัสการพระอาจารย์ครับก็คือกับผมยังมีเรื่องนิมิตอีกเหมือนเดิมหรือครับก็คือบางทีตอนที่เดินอยู่บางทีเดินไปไม่มีสติไปสะดุด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 สาทุกราบขอบรพระคุณพระอาจารย์ครับกราบธรรมสการพระอาจารย์ครับผมก็ดีอยากถามหลายข้ออยู่ครับพอดีไม่ค่อยเข้าใจครับาาการเจริญสตินี้ต้องบริกรรมพุทโธให้คล่องก่อนใช่ไหมครับถึงนั่งสมาธิครับก็ถึงเวลานั่งก็นั่งได้เลยคือเวลาที่ไม่นั่งก็บริกรรมพุทโธไปตลอดเวลา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 สิ้นห้าสิ้นแปดอะไรเหล่านี้คือเอาสะโพะเจาะจงที่เราใ ช, ใช่ไหมครับผมแล้วข้อสามครับการสวดมนต์ที่เจเริญสตินี้ถ้าเป็นเอาบทสวดทราปะลิต์นี้มาสวดทุกวันนี้จะได้ไหมครับบดไหนก็ได้ได้ขนาดนี้ขออยู่กับการสวดก็แล้วกันไม่ใช่สวดไปแล้วใจก็ท่องเที่ยวไปที่อื่นต้อง<ม>อยู่กับการสวดอย่างเดียวครับผมแล้วก็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 หรือซื้อสิ่งที่ไม่ได้มาจากการบินบาบดหรือการถวายของจากญาติโยมก็พระพุทธเจ้าก็เลยอนุญาตแต่ไม่ให้ถวายกับมือกับพระให้ฝากกับลูกศิษย์เอาไว้ลกิมมนเหือนคนที่พะระรูไว้ใจได้ไว้ใจเป็นวิยาวัจกร อ, อยู่ใช่ไหมเขาเรียกวิยาวัจก ร, รแล้วเวลาจะถวายก็เพียงแต่เขียนใบปรานาให้พระรู้ว่าได้ถวายเงิน จำนวนนี้ฝากไว้กับวยายาว่า อ, อย่างก้อทพระนั้นเองอพระจะได้รู้ว่าได้รับเงินแล้วแต่เงินไม่ได้อยู่กับพระเงินอยู่กับวายา<อ>เวลาพระอยากจะใช้เงินนี้เช่นอาจจะต้องเดินทางไปนั่นมานี่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือต้องไปซื้อยูกซื้อยาไปหาหมอที่เขาไม่รักษาฟรีให้ก็ต้องจ่ายเงินให้เขาก็ต้องไปบอกวายาว่าเออต้องมีรายจ่ายนะช่วยจัดการให้หน่อยถ้าเขาจ่ายให้ก็ดีไปถ้าเขาไม่จ่ายก็บอกผมใช้ไปหมดแล้ว ก็ทําอะไรไม่ได้คือไม่ให้ถือว่าเป็นของเราครับพอดีตอนนี้มันมันอ่าเข้าใจแบบนี้เลยไม่กล้าถวายเลยครับผมตั้งแต่อ่าอ่านมาก็เลยไม่รู้จะถามครูบาอาจารย์ที่ไหนทีนี้เข้าใจครับเข้าใจแล้วครับแล้วก็เช่นเวลาบิญทบาทก็ไม่ควรจะเอาเงินใส่บาทไปอันนี้ก็ทําให้พระผิดนะดถ้าอยากจะถวายก็ฝากกับเด็กที่เขามาช่วยถ่ายบาท เราให้เก็บให้หลวงพ่อหน่อยนะแล้วเอาใบปวานาใส่ไปในบาตราได้ใช่ไหมครับแต่ตัวเงินนี่ต้องฝากกับลูกศิษย์ไว้ครับแล้วกอ็อีกข้อนึงครับคือได้ยินว่าอ่าเวลาเราถวายของใส่มือพระปั๊บบุญมันเจอเกิดขึ้นทันทีนี้ต้องรีบอุทิศเลยใช่ไหมครับก็ได้ยินมาอย่างนั้นครับคือบุญนี้ก็คือความสุขใจไง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 การกวดน้ํากับการไม่กวดน้านี้เหมือนกันไหมครับอาจารย์เพราะรับที่เราอุทิศนี่ไม่ใช่น้ําเราอุทิศบุญคือความรู้สึกที่มีอยู like water water ่ในใจเราแต่น้ํานี่เป็นประการเฉยครับเป็นตุ๊กตามันเหมือนตัวอย่างให้เราดูขอให้คนรู้ว่าบุญเหมือนกับกระแสน้ำครับผมเวลาเราอธิษฐานว่าขออุทิศส่วนบุญนี้ให้กับนายกรนายขอที่ได้ร่วงรับไปแล้วถ้ายังถ้ารอรับส่วนบุญนี้ก็ขอมาให้รับไป เนี่ยเป็นการส่งกระแสจิตไปเหมือนส่งโทรศาพท์าจารส่งสมัยใหม่นี้ก็เรียกส่ง SMS s อสเอ็มอสให้กับผู้ตายทีนี้เขาไม่เขาคนที่เขาไม่เห็นกระแสจิตความคิดเขาไม่รู้ว่าบุญเป็นยังไงเขาก็เลยใช้น้ำแทนเวลาอุทิศบุญก็สมมติว่าน้ำนี้เป็นบุญที่เราอุทิศให้กับผู้ลงรับไปแล้ว ครับผมจะมีน้ำหรือไม่มีน้ําก็ไม่เป็นปัญหาอะไรต้องมีบุญเท่านั้นถ้าไม่ได้ทําบุญแล้วเทน้ําไปก็ไม่เกิดครับครับแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนที่ออาจารยา์เทศก่อนจะจบว่าถ้าใส่บาทแล้วอาจารย์แล้วจะมาใส่ที่วัดด้วยแบบนี้มันเป็นการโลภ บ, บุญไหมครับใส่ ท, ทั้งบาทใส่ทั้งที่วัดนนด้วยอันนี้เป็นเรื่องของของพระเวลาท่านถือทุปองค์ครับ ท่านต้องกินน้อยๆมากน้อยสันโดษท่าไม่ต้องการรับอาหารมากแต่ไม่เป็นการน้มบุญของโยมเพียงแต่โยมต้องรู้จักเวลาทํานั่นเองเมื่อท่านไม่ยอมรับที่สาราเราก็ต้องไปสายตอนที่ท่านเดินบินฑบาทตบาทครับผมพอดีมากเข้าใจแล้วครับพอดีมาศึกษาใหม่ขอเป็นลูกศิษย์หน่อยนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอาจารย์ขอถามสักหน่อยได้ไหมเกิน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 ให้รวมเป็นสมาธิเท่านั้นเองส่วนเวลาฝันนี่มันก็เป็นเรื่องของของจิตที่ไม่มีสติควบคุมในตอนนั้นนั้นมันจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจมันมันเป็นเหมือนกับเป็นดูลายงานผลของการปฏิบัติของเราว่าเราปฏิบัติไปถึงขั้นไหนเวลานอนหลับฝันไปเนี่ยมันจะเหมือนกับมาฟ้องมาบอกเราว่าเราถึงขั้นนี้แล้วนะเป็นแบบนี้เท่านั้นเอง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 องคุลีมาลไล่ข่าพระพุทธเจ้าเป็นระยะทางถึง480โยศจนเหนื่อยหอบหมดแรงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเราหยุดแล้วท่านละหยุดหรือยังแค่คำพูดเพียงเท่านี้ทำไมองคุลีมารจาวางอาวุธและออกบวชอยากให้พระอาจารย์อธิบายสภาวะธรรมขององคุลีมารว่าทำไมท่านจึงรู้ว่าสิ่งนี้คือทุกข์ นี่คือเหตุแห่งทุกข์นี่คือหนทางแห่งความพ้นทุกข์ละดับทุกข์ได้ค่ะคือตอนที่องคุลิมาบอกพระพุทธเจ้าว่าให้หยุดเถิดแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสตอบไปว่าเราหยุดแล้วเถิดต่างหากที่ยังไม่ได้หยุดองคุลิมาก็ถามตอบกับไปว่าหยุดอะไรนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราได้หยุดจากความโลภความโกรธความหลงแล้ว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 หมดคาถามจากทางบ้านค่ะมีทางศาลานี้ยังใครยังคล่องใจอยากจะถามอีกไหมอ า, อาจารย์ถามเพิ่มีกนิดหนึ่งครับออพอดีได้ยินว่ า, าการที่จะบรรลุธรรมต้องสั่งสมบาลีให้เต็มแสนกลับตัวนี้ใช่ไหมครับทุกคนถ้าไม่มีพระท้ามาสอนก็ต้องสะสมไปเรื่อย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 ไม่อยากให้เราพิจารณาความตายครับใครนี้ก็สามารถบรรลุทำได้ได้ยครับไปในเจ็ดเดือนเจ็ดวันเจ็ดปีเนี้ต้องได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนครับผมเข้าใจแล้วครั บ, รบอานามัสการ์นี่อย่าบรรลุเลยล่นะ ไม่่ไงไม่งไมงไมาปฏิบัต่อกันถ้รู้ว่ารู้มือถอ้าร้ข้อโอเคว่าใจแข็งเอี่ยมเอีย่ยมถึงน้อยถงไนี่เยอ่าพ อ, อ, อ, อแล้วอ่สมควรแก่เวลานะ อ, อ่ขอให้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตรพินิพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด